บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะกนการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องการเห็นลูกฟังเสียงเป็นต้นแล้วกระตุ้นให้กิเลสประเภ ท, ทต่างๆเกิดขึ้นซึ่งในที่นี้ทรงใช้คมสั่งยช์ ที่แปลว่ากิเลสเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้มาโดยลำดับการเรียงสังโยชน์ในแนวนี้เป็นการเรียงตามความหยาบของกิเลสที่พระยะบุคคลธนละได้มาโดยลำดับสามข้อแรก คือความเห็นที่เป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงแบ่งฝ่ายทะเลาะ ก, กันระหว่างคนสองคนระหว่างพวกสองพวกตลอดถึงประเทศสองประเทศหรือหลายหลายประเทศกับหลายหลายประเทศแต่มีการสืบสาวให้เจาะลึกลงไปก็จะพบว่ามันจ ะ, วกวนจะเกิดจากพื้นฐานความรู้สึกเป็นเราเป็นเขานั่นเอง แต่ถ้าในขนาดใดที่ใจยังมีความรู้สึกว่าเรากับพวกเราความผูกพันเกี่ยวกาะกันก็จะบังเกิดขึ้นกิเลสประเภทโทสะจะไม่เกิดแทรกขึ้นในจุดนั้นแต่จะเกิดกิเลสประเภทราคะความกำหนัดระครยพอใจเพล่ดเพลินยินดีไปการทะเลาะวิวาทก็ไม่มี แต่จะมีความเยื่อใยปวามไหลความผูกพันเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นกระบวนการแห่งทุกข์อีกชุดหนึ่งเนื่องจากกิเลสประเภทนี้พอสืบต่อไปเมื่อกลายเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นขณะได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็มีความหัดเพลื่เพลินยินดีวงใหญ่อะไร เวลาพระภาคกลาวไปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะจากจุดนี้แหละบางครั้งทุกเจ้าทร ง, ง, งใช้คำเพียงสองคำว่าตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความวาพอมีตนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้น แล้วจะดึงสิ่งต่างๆเข้ามาให้เกี่ยวข้องกับตนซึ่งส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องในแง่ของสังสารวัตรเป็นความเป็นพ่ อ, พอแม่ลูกองศาการญาติการ น, นั้นก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันในแง่ของสังสารวัตรแต่ก็จะมีการกำหนดสถานะของคนด้วยความรักความชังแลวก็มีมิมตรมิตรสต ซึ่งในจุดนี้ถ้าหากว่าไม่มีเราสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งตรงนี้ก็มีไม่ได้เ่จากการที่มีคำ ว, ว่าเราสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราก็ตามมากิเลสประเภทต่างๆที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับและแม้แต่ที่ไม่กล่าวไว้ในที่นี้ที่จริงแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากความเป็นเราคือรู้สึกว่าเป็นเราหรือรู้สึกว่าเราเป็น เชนสมมตว่าเราอยู่ในสถานะหนึง่งในขณะนั้นเรารู้สึกว่าเป็นในสถานะเหล่านั้นก็จะมีความรู้สึกยินดียินร้ายมีการขวอยว่าปรารถนาแสวงหาสิ่งต่างๆมาอย่างน้อยที่สุดก็คือรักษาสถานะที่เราเป็นตลอดถึงปรนปลื้มปรุปงบำเรอสถานะที่เราเป็นให้เหมาะสม บางครั้งเราก็เรียกว่าสมเกียรติสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของคนที่อยู่ในฐานะนั้นๆพอาตำแหน่งชั้ น, นยศเราเปลี่ยนแปลงไปไอความเป็นตัวตนของเราเมันก็ใหญ่ขึ้นคืออัตตามันก็ใหญ่ขึ้นความรู้สึกที่จะต้องมีจะต้องเป็นไม่ว่าเรื่องลาบเรื่องยศเรื่อง ส, สันเสริญเรื่องความสุขมันก็เพิ่มขึ้นมันจิตใจก็จะดิ้นรนมากยิ่งขึ้น มันตรงนี้จึงถือว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตัวกิเลสประเภทโมฆะคือเป็นความหลงอย่างใหญ่เพราะอรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วความเ ป, เป็นตัวตนในลักษณะจริงๆมันก็ไม่มีในเรื่องการเกาะกลุ่มการสมมุติปัญญาต์กันก็กลุมขึ้นมาเป็นยังไงสมมุติปัญญาต์เป็นยังไงเราก็ยึดติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นที่มีการสมมุติปัญญาต์กัน คือเราจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับการสมมุติจริงๆแ้่เราดูตรงอื่นเราจะเห็นได้อย่างชัดเช่นในถนนบางครั้งก็สมมุติว่าวิ่งสองทางวิ่งทางเดียวถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามนั้นก็ผิดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในจริงเดีนั้นแต่บางบันเขาก็เปลี่ยนแปลงไอ้ที่เคยทางเดียวกลายเป็นสองทางที่เคยสองทางกลายเป็นทางเดียวนี่ก็เรื่องสมมุติ แต่สมมติระดับสังคมนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติในแง่ธรรมะนั้นที่จริงแล้วท่านยอมรับสมมติแต่ไม่ยึดติดในสมมติความจริงจะมีการแสดงไว้ทั้งสองระดับที่เรียกว่าสมมติศสัจจะคือความจริงแบบสมมติกันและประมาทิตสัจจะคือความจริงที่แท้จริง แตในที่นี้ท่านหมายถึงความจริงที่หลงสมมติแล้วความยึดติดในสมมุติของการเกาะกลุ่มก็ดินน้ําลงไออากาศก็กลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งต่งตางๆขึ้นเราสมมุติเราบัญญัติเรายึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วกระจายตัวเองออกไปโดยลําดับจึงกลายเป็นความเห็นที่เรียกว่าคร่อมคือคร่อมสามชาติแต่ก็ถือว่า แต่และอย่างนั้นไม่แน่ใจจักนั้นฉันมีคำถามว่าเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรเราตายจากนั้นแล้วไปเกิดเป็นอะไรนี่คำถาม ใ, ในชาติก่อนมันก็ถามกันมาแนวนี้ตลอดเรายึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เอาก็จริงก็ไม่แน่ใจในตัวตนเท่าไหร่ เพริเลสประเภทนี้จึงกลายเป็นกิเลสประเภทโมหะมาออกมาในรูปของความไม่แน่ใจความเครือบแคลงสงสัยในแต่ระฐานการปัจจุบันก็สงสัยไม่แน่ใจในตัวเองแล้วก็ไม่แน่ใจแม้ในชีวิตอนาคตประการที่สองจึงเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ ที่ตัวใหญ่จริงๆก็คือสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าประทับประสงค์แต่ในหลักปฏิบัติไม่ว่าจะพูดถึงทานศีลภาวนาหรือพูดถึงศีลสมาธิปัญญาโดยสรุปกฎตามเราก็ไม่แน่ใจในตัวนั้นไม่แน่ใจในตัวผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนำหลักศีลสมาธิปัญญาพาไม่แน่ใจก็ไม่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติ อาการของการไม่แน่ใจก็คือการหยุดอยู่กับที่การจะงักงานก้าวต่อไปไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราสังเกตว่าถ้าจิตมันเกิดวิจิติจฉาขึ้นมาในจุดใดจุดนั้นจะเกิดอยู่กับที่เพราะไม่รู้จะไปไหนนั่อเกากไม่แน่ใจทั้งนั้นถึงทางสองแยกไม่รู้จะไปซ้ายดีขวาดีก็หยุดอยู่ตรงนั้นเองยึงสามแยกสี่แยกก็ยิงยุ่งกันใหญ่ ความสงสัยในเรื่องนี้ก็คือที่จริงแล้วก็คือสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตนนั่นเองมีตนก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แตปฏิขาดนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับตนสงสัยเรื่องชีวิตแนอดีสงสัยชีวิตในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยในกฎของปฏิยาการในกฎปฏิย า, าสมุบทัทก็เป็นเรื่องสงสัยเรื่องตนในขณะเดียวกันเราก็ยึดว่าเรามีตัวตน แต่เราก็สงสัยเรื่องตัวตนตึงหมายความมาอย่างไรหมายความายึดปลายทางๆที่ไม่รู้จริงแต่ก็เพราะไม่รู้นั่นแหละก็เป็นเหตุทียึดคือถ้าเรารู้เราก็ไม่ยึดอะไรแต่จากจุดนี้เองที่นำไปสู่การยึดมั่นถือมั่นในแนวของสีลับตรปรามานทั้งหลาย คือทัางๆ ท, ที่เราเข้าใจาเรามีตัวตนมีตัวมี ต, ตนหรือไม่เราไม่มีคามแต่เราไม่มั่นใจในในตัวของเราหรือแม้นได้ในความเป็นตัวของเราเลิกก็ต้องไปเกาะอิงห้อยโหนสิ่งต่างๆให้มาเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งพํานักถ้าถามทําไมไปยึดติดเรานั้นที่จริงมันก็เป็เรื่องของโมหะคือความหลงเหมือนกัน เพราในแง่ของความเป็นจริงคือศาสนาทั้งหลายนั้นที่จริงเมื่อเกิดมาจากความกลัวกับความไม่รู้เราไม่รู้เรื่องราวต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเราและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราพูดง่ายๆก็สองอย่างคือที่เกี่ยวกับเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราเนั้นเราก็ไม่รู้จริงมันมีปรกากฏการณ์บางอย่างเป็นคุณบ้างเป็นโทษบ้าง เมื่อเราไม่รู้เราก็คิดเอาเราก็นึกเดาเอาทํานองคล้ายๆกับเราเข้าไปในสถานที่ใดที่หนึ่งอาจจะมีเสียงแต่เราก็ไม่รู้ว่เสียงอะไรพอ ร, รู้เสียงอะไรมันก็ปรุงการปรุงนั้นก็อาศัยประสบการณ์ต่างๆก็เราแนนดีดเราเคยได้ยินเสียงอะไรมาทีา่คล้ายๆกับเสียงนั้นอาจจะระดับเสียงคล้ายๆกันหรือเท่าเท่ากันหรือสูงกว่านิดหน่อยต่ำกว่านิดหน่อย เราก็นึกนำไปเที่ยวกับเสียงนั้นเสียงนี้เสียงโน้นแต่เพราะความรู้จริงๆนั้นไม่มีเพราะการได้ยินเสียงเหล่านั้นของแต่ละคนมันก็ใช้ประสบการณ์จากอดีตของเราเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเที่ยงเคียงก็เสร็จแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ก็หันหน้ามาเถียงกันเพราะนั้นก็ว่าเสียงนั้นคนนี้ก็ว่าเสียงนี้คนนั้นคนเสียงโน้นเพราะใ้การเถียงกันเหล่านี้ที่จริงก็ไม่รู้ทุกคน ต่างคนต่างก็ไม่รู้จริงเสร็จแล้วก็เจี่ยงเพราะอาการยึดติดเหล่านี้ที่จริงก็คือเรื่องของความไม่รู้จริงยิดมั่นในศีลในวัดในข้อปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆซึ่งเข้าใจกันว่าต้องทําอย่างนี้จึงจะได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็จะไมเป็นอย่างนี้ตัวจุดมุ่งหมายจริงๆ มันก็มุ่งที่จะประจบเอาใจสิ่งที่เราไม่รู้นั้นเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นลงโทษแกเราอีกประการหนึ่งก็คือต้องการให้ท่านทําอันตรายต้องการให้ท่านประสิทธิ์ประสาทสิ่งดีงามให้แกเราพราะแนวประจบประแจงเอาใจอย่างหนึง่ง แนวที่ขอผลประโยชน์จากท่านอย่างหนึง่งซึ่งก็หมายความว่าก็กลับมาสู่การปลนปรื้ตัวเองในแวดวงเหล่านี้เมื่อความรู้มันเกิดขึ้นจะค่อยๆกระจัดไปเพราะแนวการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสงสอนเอาไว้ที่เกี่ยวกับผู้สังโยชน์เหล่านี้การที่จะละได้เด็ดขาด คือขาดในเชิงอาการเลไม่ได้ขาดตอนรากตอนโคนจริงแล้วกิเลสประเภทนี้เป็นพวกอวิชชาคือขาดขาดตอนรากตอนโคนจริงๆมันไปตอนโคนที่อวิชชาคือที่การกระทําของพระอาหารหันต์แต่การแบบนี้ก็หมดไปวิธีการสอนมันก็ทําขึ้นไปโดยดับคือปรับใจคนขึ้นไปโดยดับๆ ท่า น, นว่าก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือแนวศรัทธาหมายถึงว่าบุคคลไม่พร้อมที่จะใช้ปัญญาปิณิพิจนาในเรื่องเหล่านั้นก็ใช้ความเชื่อในคำสอนที่รู้เจ้าสอนไว้ทรงสั่งสอนเอาไว้เห็นสักการะทิติความเห็นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา ในชั้นแรกเราจะเห็นว่าเป็นความเห็นคล้อยตามจะเอาอย่างนั้นก็เอาคือติดสมมุติตรงนั้นก็เอาแต่ว่าทําไงถึงชายสมมุติตรงนี้มันเป็นประโยคก็ทําว่าเป็นเรากับพวกเราในครั้งแรกเป็นเราเป็นเขานั้นก็คือให้รบให้เคารพสิทธิของกันและกันระวังเรากับเขาอย่าล่วงเกินกันนั้นเป็นข้อปฏิบัติระดับศีล พอถึงระดับธรรมะมันก็กลายเป็นเรากับพวกเราให้มีการปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันในที่ทรงแสดงหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องมีต่อกันระหว่างพ่อแม่ลูกสามีปัญญาเพื่อนกับเพื่อนครัวอาจารย์กษิตสำนักพราหมณ์ประชาบ้านประหับประชามหากษัตริย์กราษฎร น, นายกับคนใช้เป็นต้นเนี่ยคือให้ปฏิบัตินหน้าที่ต่อกันก็นั่นคือเรากับพวกเราแต่ในขณะเดียวกันมันก็มองกระจาย แต่คำว่าพวกเรานั้นก็ไม่ใช่พวกเฉพาะตรงนี้เท่านั้นที่จริงแล้วมันเป็นพวกกันทั้งหมดก็คือเพื่อนที่เราเรียกว่าร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นหมายความเป็นการมองสับประชีวิตกันเลยจะเป็นคนเล็กเล็กกน้อยจะเป็นสัตว์เล็กเล็กกน้อยะเป็นช้างตัวโตๆอะไรก็ ต, ต, ตกามก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตรงนี้ที่จริงมันก็เป็นเรา มันยังเป็นเราอย่าเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่ว่ามีเราก็พวกเราเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมภายในใจเรียกว่าธรรมะปฏิบัติระดับศีลธรรมแล้วก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆโดยสายจิตใจที่มีความเชื่อมั่นตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ดูมาดูด้จริงๆมันมีตัวเป็นตนหรือไม่ แต่การดูมันก็ใช้พื้นฐานเดิมของเรานั่นเองที่จริงคือเรามองสองแนวท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าการมองอะไรเราเนี่ยเราจะมองสองแนวคือแนวหนึ่งก็รวบไปเลยมองทั้งจิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งทั้งหลังทั้งคันอะไรก็แล้วแต่มองอะไรคือชอบหรือไม่ชอบไปทั้งหมดมันจะเกิดอาการหนึ่งคือชอบหรือไม่ชอบไปทั้งหมดทีนี้บางอย่างมันไม่ถึงขนาดนั้นมันเพียงแต่ไม่ชอบบางส่วนคือชอบบางส่วน เพในสิ่งหนึ่งเช่นว่าในบ้านหลังหนึ่งในคนคนหนึ่งในวัตถุสิ่งหนึ่งในเดือนหลังหนึ่งในรถคันหนึ่งอะไรก็ตามนะครับหมายความว่าเราก็ชอบบางส่วนแต่เราก็ไม่ชอบบางส่วนก็แสดงว่ากิเลสมันก็เกิดไอตัวเราที่เราชอบมันก็เกิดราคะเกิดความกำหนัดเกิดโลภะอยากได้ในส่วนนั้นไอส่วนที่เราไม่ชอบมันก็เกิดโทสะพเพราะว่าพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองตรงนี้ ไม่พความันใช้พื้นฐานเดิมยังไม่ดึงจิตก็ออกไปจากอะไร ว, วัตถุเหล่านั้นมากเกินไปแต่ให้มองดูว่าสิ่งที่มันเกาะกลุ่มกันนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วก็ค่อยอาศัยคุณสมบัติซึ่งเราเคยมองแยกนะ่ะก็ให้มองแยกดูเช่นแนวกายานุปัสสนาสถิติปัฐานที่เราเคยเจอมาบ่อยๆนะพระองค์ธรรมมาถึงเรื่องนี้บ่อย เราเห็นว่าในชั้นแรกมันก็มองทั้งตัวเกิดทั้งชีวิตเลยนั่นก็มองรวมไปเลยแต่เห็นว่าชีวิตจริงๆก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกก็มองลมหายใจเข้าออกว่าเป็นโัการสำคัญที่ผลปรือให้ชีวิตเหล่านี้มีอยู่ถ้าลมหายใจขาดชีวิตก็ขาดก็ะสะแสดงว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยและการดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัย ลมหายใจเข้าออกเป็นกายจะถังขานคือปรนปลืไว้หล่อเลี้ยงไว้แต่เกิดหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าชีวิตมันก็แตกดับพอแตกดับไปแล้วมันก็เปื่อยเน่าผุพังไปมันก็หาตัวตนไม่เจอในชั้นแรกมันก็เจอแต่ศกต่อไปพวกดินน้ำลงไฟก็แยกตัวเองออกไปส่วนดินก็ไปดินตัวน้ำไปน้ำส่วนลมไปลมส่วนไฟไปไฟส่วนอากาศก็ไปอากาศ เมื่อางความเป็นคนไม่เจอแต่ตอนแรกจะเห็นว่าไม่รงสอนถึงขนาดนั้นนะจะเอาขนาดแต่ว่าแยกแยกให้ดูสักก่อนแยกร่างกายเป็นส่วนๆหรือ แ, แยกเป็นธาตุสี่โดอาจจะไปดูที่การจำแหละเนื้อสัตว์ออกปลาเป็นส่วนๆหรืออาจจะดูที่ครัวในขณะทำครัวเองก็ได้ไปดูในตลาดก็ได้ดูตลาดขาย ห, หมูขายวัวอะไรแต่ไหเราก็เห็นว่า โดยนั้นที่จริงไม่มีทั้งหมูทั้งวัวทั้งหมูทั้งไก่มันมีแต่เนื้อเราที่จริงมันก็แยกส่วนออกไปมีเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นเครื่องจับไตไส้ปูงอะไรต่างๆก็หาความเป็นไก่เป็นวัวเป็นหมูไม่เจอมันก็มีแต่เนื้อมีแต่อวัยวะเพศอวัยวะต่างๆของสัตว์เหล่านั้นเพราะงั้นจริงๆมันก็แสดงให้เห็นเนื่งความไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่มีตัวมีตนจริงๆ ก็เพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลเข้าถึงความจริงมากยิ่งขึ้นแ ต, ตนน่ที่นี้สมมติเราเดินไปตรงนั้นเดีไม่ได้มันเรื่องมันยากมันเข้าใจยากมันทาได้ยากมันก็อยู่แค่สองขั้นเราก็อยู่ได้แล้วเรียวกว่าอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แล้วโดยไม่ต้องมีการเบียดเบียนไม่ต้องมีการประทุษร้ายกันเพราะว่ามีเรากับพวกเรานัานเองในโลกนี้พวกเรามันก็ อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรไมตรมีประเจ็นว่าในช่วงที่ใช้ศรัทธานั่นแหละมันก็มีปัญญาเพิ่มขึ้ น, นในตอนพิจารณาจริงๆเราก็ใช้ปัญญาและจากการสมมุติว่าเรามองที่สายศรัทธาคือเราเพิ่มสายศรัทธาสายเดียวก็ยึดมั่นในคําสอนที่พระเจ้าสอนไว้อย่างไรเราก็ยึดถืออย่างงานประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้น จิตธาตุเป็นธรรมะที่กะจัดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะในชั้นแรกมันก็กจัดพวกโมหะก่อนในชั้นที่สองก็ขจัดพวกโลภะในชั้นที่สามก็กจัดพวกโทสะ อันเราจะเห็นว่าความเป็นต like like ัวเป็นตนก็ดีความเครือข่ายสงสัยก็ดีที่เราแตปรามาคือถือมั่นโดยศีลวัดข้อปฏิบัติต่างๆก็ดีที่จริงแล้วมันก็คือกิเลสประเภทโมหะซึ่งเมื่อศรัทธามันเกิดขึ้นเขาก็มีความผ่องใสเขาก็จัดออกไปถ้าไม่เห็นว่าองค์กุณของความเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันเนี่ยปฏิทรงพูดแค่ศรัทธาเกิดไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องศรัทธา ศรัทธาของท่านเหล่านี้เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในใจสิกขาใสิกขาที่จริงก็คือธรรมะพูดง่ายๆก็คือเชื่อมั่นในคุณพระถนาใครแต่ตรงนี้ท่านแบ่งออกเป็นสองเท่านั้นเองก็กลายเป็นสี่เรื่องก็เรียกว่าโสตปฏิยังคะคือคุณสมบัติของโสดาบัน การเป็นพระโสดาบันก็คือด้วยพลังก็ความเชื่อนี่มันทำหน้าที่ขจัดพวกกิเลส ท, ทั้งสามประเภทได้จางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปจากจิตนั้นเพราะนั่นตรงนี้จึงกลายเป็นเส้นทางที่จะนําคนไปสู่ความเป็นพระโสดาบันโดยใาศความเชื่อเป็นฐานาการจะไปถึงจุดนั้นทีเดียวมันก็เรื่องใหญ่ จะทำยังไงว่าให้ผู้คนยึดมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในแล้วปฏิบัติตนตามหลักของใจสิกขาเพราะการปฏิบัติตามหลักตจสิกขาคือทานศีลบรารมิก็ดีศีล ส, สมาธิปัญญาก็ดีมันจะต้องมีความเชื่อที่เชื่อมโยงมาจากพระพุทธเจ้าเพราะใจสิกขาเป็นกระทัง แล้วใจขานี้เองพระอริยะบุคคลคือไม่ใช่จจเจาะจงเฉพาะที่บวชท่านก็ปฏิบัติกันมาแล้วได้ผลกันมาแล้วพวกนี้จึงเป็นนหนึ่งเดียวกันคือแบ่งแยกกันไม่ได้ <c oughs> ก็สส่พลังศรัทธาเหล่าที่จะน้อยก็ลดอัดตราลงไปปั๊งใหญตัวตนมันใหญ่มากมันจะอยู่ลําบากมันจะเดินเหินลําบากมันนั่งลําบาก เราเห็นว่าของใหญ่ๆเนี่ยพาไปไหนมันก็ลำบากขึลืนย้ายลำบากสั้างปัญหาสารพัดเลอัตตาือความรู้สึกพองของคนเราเนความรู้สึกพองขึ้นเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นการแข่งดีที่ท่านเล่าเรื่องึองอ่างแล้วก็เบ่งตัวให้พองเท่ากโคซึ่งลูกเล่ามันใหญ่โตเหลือเกินแล้วสุดตัวเองก็ท้องแตกตาย คือถ้าเราพยายามปรับปัตราตัวเราให้มันผสมกลุมกลืนคืออยู่ที่ไหนก็ได้คล้ายๆกับธาตุเราก็เป็นธาตุเป็นธาตุน้ําสมมติเป็นธาตุน้ํำเราก็อยู่ไหนก็ได้ก็ปรับตัวอยู่ได้อีเล็กก็อยู่อีเล็กก็ปรับสัดส่วนเป็นเล็กสีเป็นยังไงก็ปรับตัวอยู่ยงั้นเป็นลมโดยคิดในแง่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของลมแรตัวเราก็เป็นธาตุลม มันก็ผ่านอะไรไปก็ได้แต่ไม่ไปค้องติดอยู่ในที่นั้นเราเชื่อว่าบางทีมันก็พัดผ่านของสกรปรกมีกลิ่นเหม็นได้ประเดี๋ยวมก็จางไปก็ไม่ไปค่องติดอะไรมากเกินไปหรือเป็นธาตุไฟในแง่ของการเผาทาลายนะความเชื้อของอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นที่ก็เป็นการเพิ่มพูนให้เกิดตัวตนเราเขายิ่งใหญ่ก็เผาทาลายกันที่บ้าง แสงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนีะมันสบายจะนั่งรถอะไรก็ได้เลยจะกินอาหารตรงไหนก็ได้นั่งยองๆกินไ๋วยตีริมถนนก็ได้ก็ราคามก็อิ่มเหมือนกันนะฮะกับกินอาหารพัฒตาการแต่งตัวยังไงก็ได้เต้าผ่ายัางไงก็ได้เรียบร้อยก็แล้วกันเลยจะเป็นนั่งจะยืนจะเดินจะไปในที่ไหนเนี่ยมันเบาอะฮะ รู้สึกตัวเบาที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าสาระหุกวุติคือทําตัวให้มันเบาประพฤติตัวเป็นคนเบากายเบาจิตไม่ไปยึดถืออะไรมากเกินไปมันก็แค่นั้นน่ะนะมันก็เท่านั้นเอ ง, องที่พระเจ้าทรงใชค้คำว่าเอวังธรรมวยวังภาเ ว, วงมานาบติโตทํรมศาสตร์เป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นก็มันอย่างนั้นเอง ได้วความโปร่งเบาในด้านจิตใจก็เกิดขึ้นเพราะหน้าตาเนี่ยเมื่อมันเล็กลงเนี่ยความต้องการมันจะน้อยลงได้วความหวาดกลัวต่างๆนี่จริงก็จะลดลงฉะนนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรเราจะไปที่ไหนคนเดียวก็ได้เดินท่อมๆไ ป, ปเพื่เตียวก็ได้นะแต่ถ้าหน้าตาเราใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มาก คือจะไปสักทีหนึ่งนี่น้ํามันต้องหมดไปแยะรถต้องไม่รู้สักกี่คันคนไม่รู้สักกี่คนเงินทองใช้จ่ายไปภาคปลายกระกรเพราะอัตรามันใหญ่เพราะการพยายามที่จะลดตัวอัตราคือความเป็นเราหรือเราเป็นอะไรก็ตามที่จะเรียกว่าเป็นไม้เป็นนะฮะเมื่อความบทดไดที่ถูกสมมติได้เราเป็นเราก็ทําให้ได้ในจุดนั้นแต่เราไม่ได้เป็นทวาร คือวันความเป็นของเราจริงๆแล้วในแง่สมมตินี่นนค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่กับจุดที่เราสัมผัสนั่นเองบางครั้งเราก็เป็นไม่ไม่ได้กี่นาทีมันก็จบความเป็นในจุดนั้นแล้วเช่นขนาดที่เราเดินข้ามถนนเราก็เป็นคนเดินข้ามถนนอาจจะสองนาทีสามนาทีก็จบละเป็นคนขับรถ ขับไกลแล้วขับใกลใ้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอะไรมันก็อยู่ที่สิ่งซึ่งเราสัมผัสสถานที่ที่เราสัมผัสเวลาที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆเท่านั้นเองไอ้ความเป็นจริงๆไม่มีเพียงแต่ว่าเอาสมมติมาซ้อนๆกันหลายๆเรื่องปัญหาที่สาคัญก็คือว่าบางทีเราเป็นกันจนยุ่งหมดคือไม่รู้เป็นอะไร แล้วก็ไปยึดติดในความเป็นเหล่านั้นเช่นสมมติเป็นใหญ่เป็นโตเป็นข้าราชการตำแหน่งใหญ่โตที่ยืนมันก็ใหญ่ในกระสุงในกรมในกองเหล่านั้นเพราะว่าถึงบ้านมันก็เป็นแค่สามีพัญญาพัญญาของสามีแม่ของลูกพ่อของลูก น, ะนะั่นนั้นเองเกื อ, อ จ, จะมีพ่อแม่อยู่ในบ้านด้วยมันก็เป็นแค่แค่ลูกของพ่อแม่แต่นั่นเองจจะมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยเราก็เป็นแค่หลานนะนะนะนะนะั่นๆนั่นเองแต่วันที่เราก็ไปกวาดขยะเราก็เป็นคนกวาดขยะ เราไปตัดตอนกิ่งไม้เราก็เป็นคนตัดตอนกิ่งไม้เราไปปลูกพืชเราก็เป็นคนทำสวนก็ก็ก็เปลี่ยนไปตามสถานะที่เราเป็นเพราะนความเป็นเหล่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในแต่ละขณะแต่ถ้าเราเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้ชอบตามเหมาะตองควรแก่กรณีนั้นๆอัตตามันก็ไม่ฟ่องโตการคขว้คว้าเสรอมัตตา การห่วงใยอัตตาตัวตนมันก็จะลดลงไปมันก็ไม่ถึงก็เป็นพระโสดาบันแต่ว่ามีความโปร่งความเบาความโร่มความสบายมันเกิดขึ้นภายในจิตลักษณะของความเพลิดเพลงสงสัยก็เหมือนกันมันเรื่องเยอะที่เราก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็เอาแต่ว่าตรงเนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไว้อย่างนั้นก็เอาอย่างงั้น ไม่ไปคิดแต่มันเสียเวลาไม่ไปตกเฉียงเสียเวลาเพราะว่าคนที่เถียงเนี่ยมันโง่กว่าพระพุทธเจ้าไป็รูปเท่าไหร่ที่คนที่มาคัดค้านที่มาโต้แยง้งที่มาเสนอแนวใหม่ขึ้นมาคือตนี้กิเลสมากมายแก่ของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสอะไรเพราะเราก็จับที่พระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องฟังไม่จำเป็นต้องเถียงพอเถียงไปมันก็ทะเลาะ ก, กันแล้วก็หาข้อ ก่อสรุปไม่ได้นะคระับคนเหล่านั้นจริงๆเขาไม่รู้จริงเจนที่เคยบอกว่าคนที่เถียงทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรู้จริงพนะราคนที่รู้จริงจะไม่เถียงแล้วสังคมระยะจริงไม่มีการตกเฉียงต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป